จบเสียงงานสัมมาส ม, มาธิจากพุทธธรรมฉบับป ร, รับขยายบทที่16แนะนำให้ฟังซ้ำเมื่อมีโอกาสโดยฟังตั้งแต่เริ่มต้นตามลำดับบทจะทำให้ท่านเข้าใจได้ดีมากขึ้นควรใช้เสียงอ่านเพื่อจับใจความสำคัญเบื้องต้นหรือไว้ฟังทบทวนเท่านั้นหากต้องการอ้างญิงหรือเพื่อความถูกต้องชัดเจนควรตรวจสอบหรืออ่านจากพุทธธรรมออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดญาณเวสกวันโดยตรงอีกครั้งนะครับ สำหรับท่านผู้สนใจการปฏิบัติแนะนำให้ลองฟังเรื่องบันทึกกรรมฐานโดยสมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเป็นการอธิบายการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ตั้งแต่หมวดแรกจนถึงหมวดสุดท้ายยิงต่อเนื่องทั้งสมถะและวิปัสสนาในแบบกระชับและเข้าใจง่ายและมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติอย่างมากขอทุกท่านร่วมนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้วิรัตทรงพลยานินเวียงเกตพระอาทิตยอริยวาวังโศ พนอมรักเพชรสเถียรรอดกรัวแดงนรรักษ์รัศมีรอดกรัวทิพทานทองสุภกิจนิ ม, มานรเทพทวีชังพินิษฐ์อ้อยพรจึงวิวัฒนาพรกิติพรตรีสุภาการร่วมกับอีกหลายท่านดูวได้จะกเคกรดิตท้ายเรื่องขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสองค์ออกนามทุกท่านด้วยนะครับสับพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาธรรมะทั้งปวงที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้มีปัญญาเป็นยอดยิ่งสำหรับอริยสาวกผู้มีปัญญาศรัทธาวิริยาสติสมาธิซึ่งเป็นของคล้อยตามปัญญานั้นย่อมทรงตัวอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายรเรดเจริญแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอินทรีย์หนึ่งเดียวภิกษุผู้ศีลสหะแล้ว ย่อมพยากรณอรหัตผลได้อินทรีย์หนึ่งเดียวนั้นได้แก่ปัญญินรียอินทรีย์คือปัญญาสภาพธรรมที่เป็นใหญ่ในการรู้ความจริงขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาและปลื้มปิติในบุญแห่งธรรมทานในทุกครั้งร่วมกันขอน้อมพลังแห่งบุญนั้นเป็นปัจจัยส่งให้ผู้ร่วมจัดทำและผู้ฟังทุกท่านจงเป็นสุขพ้นจากทุกภัยทั้งปวง จงถึงซึ่งความพร้อมสมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และทิพยสมบัติเปี่ยมด้วยจิตที่ตื่นรู้ผ่องใสยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รุ่งเรืองแต่ในทางที่เป็นกุศลจเจริญในอริยมรรคอริยผลเข้าถึงสภาวะจิตแห่งพุท ธ, ธะได้ในที่สุดเพื่อความพ้นทุกตลอดกาลนานด้วยเถิด